เวลาตมาแสดงธรรมก่อนฉันอย่างเช้าเนียบางครั้งก็มีญาติโยมบางคนลุกจากที่นั่งนะมาหาตมาเพื่อที่จะถวายปัจจัยหรือถวายสังฆทานในขณะที่ตมากำลังบรรยายอยู่ตอนนั้นเนี่ยตมาไม่สะดวกนะที่จะรับปัจจัยหรือสังฆทานนะเพราะว่ากำลังแสดงธรรม ไม่ใช่เพราะว่าไม่สนใจไม่เห็นความสำคัญนะแต่ว่าเนื่องจากกาลังแสดงธรรมอยู่ถ้าไปรับสังฆทานมันก็ทำให้การแสดงธรรมสะดุดแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคือว่ามันก็สงก่งผลกระทบกับคนอื่นด้วยนะอย่างเวลาแสดงธรรมเนี่ยก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอถ้าจมาหยุดพูดไปรับทานหรือว่าสังฆทาน อาจารย์สุรินก็ต้องนะไปตัดต่อนะก็กลายเป็นสร้างภาระใหกับท่านพระยตาตมาก็เลยนะไม่รับสังฆทานไม่รับปัจจัยที่โยมมาถวายในขณะที่กำลังแสดงธรรมต่อเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วนี่นะจึงพร้อมที่จะรับนะสิ่งที่ญาติโยมมาถวาย ในสวนญาติยโยมเองเนี่ยนะที่ตั้งใจจะมาถวายทานถวายสังฆทานก็อยากให้รอก่อนระหว่างที่อาตมาบรรยายธรรมก็ให้รอจนกว่าจะอาตมาจะแสดงธรรมเสร็จรอที่ว่านี่คือว่ารอแล้วก็นั่งฟังธรรมไปด้วยเพราะว่าฟังธรรมก็ได้บุญกันนะไม่ใช่ว่า มาถวายทานถวายปัจจัยถวายอสิ่งของต่างๆจึงจะได้บุญเท่านั้นนะระหว่างที่นั่งฟังฟังธรรมด้วยความตั้งใจก็ได้บุญนะในเมื่อมาวัดเพื่อจะมาทําบุญแล้วก็ก็อย่าลืมว่านะการฟังธรรมด้วยความตั้งใจก็เป็นบุญเหมือนกันอย่าคิดว่าโอ๊้มาถวายธัมกะทานเท่านั้นจึงจะได้บุญ เนะพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รอฟังธรรมนะตั้งใจจะมาถวายทานก็พอได้โอกาสก็มาถวายเลยท่านั่งที่อามากําลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าภาคโอกาสนะในการที่จะได้ฟังธรรมซึ่งก็เป็นบุญอย่างหนึ่งหรือบางคนจะคิดว่าเนี่ยอยากจะมาถวายทานสังฆทานรรเสร็จเสร็จไปซะนะพอตั้งใจมาวัดตั้งแต่แรกแบบนี้ เพราะฉะนั้นก็เลยไม่สนใจฟังธรรมเลยนะอันนี้มันก็ถือว่าเสียโอกาสนะแล้วก็แสดงว่าไม่เข้าใจนะว่าการฟังธรรมนี่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันนะบุกริยาวัตถุสิปการเนี่ยก็มีข้อนึงก็คือการฟังธรรมและการทาความอ ห, ห้ตรงนะฟังธรรมนี่ก็ช่วยทำให้เกิดความเห็นตรงนะ ที่เรียกว่าทิฏฐุชุ ก, กรรมซึ่งได้บุญมากกว่าการถวายทานด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อไหนไหนมาวัดทั้งทีแล้วก็มีการแสดงธรรมก็อยากให้ตั้งใจฟังธรรมให้เสร็จก่อนนะระหว่างฟังธรรมก็ยังไม่ต้องคิดเรื่องอะไรยังไม่ต้องนึกถึงเรื่องการจะมาหาตรมมาเพื่อมาถวายทานอันนั้นมันอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบันก็คือฟังธรรมโดยความตั้งใจแล้วก็จะเกิดประโยชน์ที่จริงการฟังธรรมด้วยความตั้งใจรวมทั้งการที่ไม่ไม่มาแทรกไม่มาขัดจังหวะขณะที่อาตมาหรือผู้ใดกำลังแสดงธรรมเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความเคารพพระธรรมนะการเคารพพระธรรมเนี่ยเป็นสำนึก หรือเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เราชาวพุทธคนมีเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์นี่นั่นก็มีความเคารพพระธรรมนะพุทธเจา้ามีความเคารพพระธรรมไม่ใช่เฉพาะพระธรรมที่พระ อ, องค์ทรงค้นพบจากการบําเพ็ญภาวนาองคยังเคารพพระธรรมที่มาจากป่าของพระสงฆ์สาวกนะ แล้วว่าบางท่านอาจจะยังเป็นแค่ผุ้ตุชนนะเมื่อท่านเหล่านักแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็เคารพนะอย่างมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยเวลามีพระสงฆ์สาวกกําลังแสดงธรรมเนี่ยในอาคารเนี่ยพระเจ้าเจ้าเนี่ยเสด็จมาที่อาคารนั้นแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีการแสดงธรรมพระองค์ก็หยุดนะ ประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอกยังไม่เข้าไปดนรอฟังธรรมจกนกระทั่งการแสดงธรรมนั้นยุตินะพระองค์จึงจะเสด็จเข้าไปในแง่หนึ่งนะพระองค์ก็ไม่ต้องการขัดจังหวะการแสดงธรรมของพระสาวกและในแง่หนึ่งพระองค์ก็ตั้งใจฟังด้วย อันนี้พ ร, พระพองค์เนี่ยขอรพระธรรมแล้วบางครั้งเนี่ยนะภาษาวกบางรูปเนี่ยนะแสดงธรรมยาวเลยนะอย่างพระนันท ก, กะเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยมีคราวหนึ่งเนี่ยนะท่านแสดงธรรมให้กับพิสุยาวเลยนะก็ระหว่างนั้นพระเจ้านี่ก็เสด็จมาที่อาคารหลังนั้น่ พอเห็นพนันตกะแสดงธรรมพระองค์ก็ยืนประทับรอประทับยืนรออยู่ที่ซุ้มประตู ด, ด้านนอกจกนกระทั่งพนันตกะแสดงธรรมเสร็จซึ่งเป็นธรรมบรรยายที่ยาวมากพอพระองค์แสดงเข้าไปในศาลาเนี่ก็ตรัสกับพนันตกะว่าเนี่ยธรรมบรรยายขอองเธนี่ยาวมากนะแล้วก็จำแจ้งกับภิกษุด้วย เรายืนรอฟังธรรมของเธออยู่ที่ซุ้มประตู ด, ด้านนอกเนี่ยจนจบแล้วก็รู้สึกเมื่อยเลยนะพระองค์บอกเนี่ยขนาดพระองค์นี่เมื่อยเลยนะเพราะพระองค์ชลาแล้วเนี่ยฟังธรรมเนี่ยซึ่งก็คงจะยาวเป็นชั่วโมงอันนะพระเจ้าก็เคารพธรรมขนาดที่เรายืนรอฟังธรรมของพระ น, นกกะันทกะนะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะสะดุดหรือขัดจังหวะ การแสดงธรรมของพระนันทกะแม้พงษ์จะปวดจะเมื่อยก็ทรงประทับยืนรอนะจนพระนันทกะแสดงธรรมเสร็จพระนันทกะนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันตะ์ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมมีข่าวหนึ่งแสดงธรรมให้พิสูจนีเนี่ยบรรลุอรหัตผลถึงห้าร้อยรูปนะหาได้ยากมากนะแต่แม้ว่าจะเป็นแม้จะไม่ใช่พระอรหันต์นะเป็นปุถุชนเนี่ยพระองค์ก็เคารพนะ ยังมีคราวหนึ่งเนี่ยพระสงฆ์สาวกกาลังแสดงกําลังสนทนาธรรมกันนะไม่ใช่แสดงธรรมนะสนทนาธรรมในศาลาเหมือนกันนะพระองค์จะเข้าไปก็ได้ยินพระสงฆ์สาวกกาลังส น, สนทนาธรรมพระองค์ก็หยุดนะประทับยืนรอที่ซุ้มประตูด้านนอกเหมือนกันนะจนกระทั่งพระสาวกเนี่ยแสดงสนทนาธรรมเสร็จนะพระองค์ก็ กระแอมนะไปที่ประตูแล้วกระแอมนะแล้วก็สัมผัสที่ประตูนะให้มีเสียงเบาๆสักหน่อยให้รู้ว่าพระองค์เนี่ยจะเสด็จเข้าไปอันนี้แล้วว่าเป็นการคลรพธรรมนะของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังอย่างตั้งใจแล้วก็อย่างน้อยนี่ไม่ขัดจังหวะนะไม่ทำให้การแสดงธรรมนัศดุดนะอันนี้พวกเราเนี่ยซึ่งเป็นปุทรชนนี่ก็ยิ่งนะต้อง คารบพระธรรมจริงๆคนไทยสมัยก่อนนี่ก็คารบพระธรรมนะเวลาพระแสดงธรรมนี่ก็ให้นั่งที่สูงอยู่บรรธรรมมากนะเราก็ตั้งใจฟังพนมมือแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจกันละบางทีพระแสดงธรรมอยู่ก็เดินมาเลยนะมาถวายปัจจัยมาถวายสังกัฏฐานโดยไม่ไม่สนใจจะฟังธรรมให้เสร็จก่อน นี่เรียกว่านอกจากเสียโอกาสแล้วก็ยังเป็นการไม่เครารพพระธรรมด้วยแต่บางคนนี่ก็ไม่ได้ฟังนะแต่ว่าเปิดโทรศัพท์มือถือเชทข้อความอันนี้ก็เป็นการไม่แสดงความเครารพพระธรรมอย่างหนึ่งนะต่จึงอยู่นะบางทีสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นพระเป็นพระธรรมก็ได้เป็นเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องทั้งโลกล้วนๆแต่ว่าถ้าเราฟังหรือมีความตั้งใจในการฟัง หรืออย่งน้อยเนี่ยแม้จะการหยุดหงิดนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการปฏิบัติธรรมฝึกขันติธรรมและที่จริงเนี่ยแม้ว่าท่านจะพูดอะไรมาก็แล้วแต่แต่ถ้าเราตั้งใจฟังนี่มีปัญญาในการฟังก็เป็นธรรมะได้นะขาดเสียงนกเสียงกาเสียงจักจักจ่นกิ่งเรนี่ยังเป็นเสียงธรรมะได้เลยนะอันนี้หลวงปู่มั่นนี่ท่านที่ท่านใจริ้วลงในป่านี่ท่านบอกเนี่ย ท่นได้ฟังเสียงธรรมะตลอดเวลาจากนกจากกาจากเสือจากช้างจากจิ้งหรีดไรไรอันนี้เรียกว่าพอรู้จักฟังนะอะไรแล้วก็เป็นธรรมะไปหมดยิ่งเป็นธรรมะที่เป็นคําสอนของพุทธเจ้านี่แล้ยิ่งต้องเคารพแล้วก็ตั้งใจนะอย่าไปขัดอย่าไปสะดุดหรือว่าอย่าไปทําอย่างอื่น ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรม้วยการเจริญสติฟังธรรมและไค้ครวญ น, นะแม้บางทีจะง่วงเหงาหานอนแม้บางทีจะรู้สึกหน้าเบื่อนะแต่ว่าฟังไปเถอะนะอย่างน้อยก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่ให้ความเบื่อความง่วงมารบกวนจิตใจนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะกับผู้ฟังด้วย